นเมืองเมืองหนึ่งที่บังขคังด้วยการค้าขายมีผู้คนมากมายอาศัยอยู่ที่นั่นน้ำเมืองนี้เองก็เป็นเมืองที่มีเศรษฐีใหญ่อยู่ท่านหนึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นเช่นกันเศรษฐีผู้นี้มีนามว่าหยางเศรษฐีหยางนี้มีบุตรชายอยู่หนึ่งคนชื่อว่าอหลงอาหลงนั้นใครๆก็ล้วนอิจฉาหากมองเพียงผิวเผินว่าเขาเป็นคนที่โชคดีอะไรเช่นนี้ที่มีบิดาเป็นคนร่ำรวยแต่ใครเล่า จะรู้ความจริงว่าอหลงถึงแม้จะเกิดในฐานะตระกูลที่ร่ำรวยแต่เขากลับเป็นคนที่หัวช้าเรียนรู้อะไรได้ช้าก็เรียกว่าคล้ายๆกับว่าเด็กโคงนะครับทำให้บิดาของเขานี่รู้สึกกระตุ่มใจเป็นอย่างยิ่งก็พยายามหาทางแก้ไขโดยหานักปราบบัณฑิตมาติวมาสอนพิเศษอยู่ที่บ้านเป็นประจำแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลย เนื่องจากอาหลงนั้นนอกจากว่าจะเรียนรู้ช้าแล้วยังติดเกียดคร้านขี้เกียจนะครับประมาณว่าว่าไม่สนใจหรอกเพราะเตี่ยว่ารวยอะไรประมาณนี้ครับจึงทำให้บิดานี่เหนื่อยหน่ายมากกับที่มีบุตรชายอย่างนี้วันหนึ่งจึงได้เรียกอาหลงมาและพูดกับอาหลงว่าอาหลงเอ้ยลื้อตรงต่างใจเลี้ยงนาะ ความรู้เท่านั้งและที่มันจะรักษาทรัพย์สมบกักที่อ้วร้างไว้ให้ลือล่อไล่โอ้ยถ้าลื่อไม่มีความรู้อ้วก็ไม่รู้ว่าจะช่วยลื่อยยังไงเดี๋ยวอ้วก็ตายแล้วอ๋องได้ฟังก็บอกว่าโหเตียว่าน่ะขี้เกียจเรียนผมไม่รู้สิเรียงไปก็เท่านั่งมันก็น่าเบื่อพูดกับเตียจบอ๋องก็เดินจากไปการเรียนการศึกษาของอ๋องนั้น ไม่มีความคืบหน้าเอาสลยเพราะตัวของอาหลงเองก็ไม่หยิบตำรามาอ่านไม่ทำการบ้านไม่ว่าอาจารย์จะพยายามสอนยังไงก็ช่างแต่ถึงกระนั้นอาจารย์ที่มาสอนอาหลงก็เป็นผู้ที่มีความรู้วันหนึ่งจังหวะดีๆอาหลงกับอาจารย์ได้ไปเดินเล่นกันณบึงแถวๆบ้านบึงบึงนี้เป็นที่อาศัยของฝูงเต่าอยู่รวมกันมากมีหลายขนาดทั้งเล็กทั้งใหญ่ เมื่ออาจารย์ได้มองไปเห็นเตาเ่าเยอะแยะอาจารย์จึงมีไอเดียเกิดขึ้นว่าลื้อไปหยิบเตา่าสักหนึ่งตัวมาให้อ้วซิเอาตัวเล็กๆก็ได้นั่นน่ะค้างคาเบิงตัวนั่นน่ะถนัดมือดีอาหลงถึงแม้จะไม่ค่อยเข้าใจว่าอาจารย์ให้ไปหยิบเต่ามาทําไมแต่ก็พร้อมจะปฏิบัติตามไหนๆก็อาจารย์สั่งแล้วนี่จึงเดินไปหยิบเตา่าตัวเล็กมาหนึ่งตัวเดินไปหาอาจารย์เมื่ อ, ออาจารย์รับเต่าจากอาลงเสร็จ อาจารย์ก็ถามว่าอาหลวงเอ้ยรื้ว่าเต่า ต, ตัวเนี้ยมังเดินเร็วหรือเดินช้าบอกหน่อยอาหลงก็ตอบว่าโอ้ยอาจารย์เต่ามันก็ต้องเดินช้าดิถึงจะไม่ค่อยขยันเรียงแต่อ้วก็รู้นะอาจารย์ได้ฟังอย่างนั้นจึงบอกกับอาหลวงว่าอ่าอย่างงั้นอ้วขอสั่งให้ลือยืนอยู่ตรงนี้เฉยๆนะแล้วอ้วจะปล่อยเต่าให้มังเดินกับบึง ลือคิดว่าระหว่างเตากับลือ้อใครจะไปถึงบึงกองกลางตอบอ้วมาสิอ้าวอาหลงงงเลสิอะไรกันบอกให้เรายืน อ, อยู่ตรงนี้และให้เต่ามันเดินไปอะไรกันเนี่ยอาหลงจะบอกอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ท่านพูดอย่างนี้ได้ยังไงก็ท่านบอกให้อ้วยืน อ, อยู่เฉยๆโตนเต่ามันก็เดินไปเรื่อยๆจะถึงบึองอยู่แล้วนะ่ะ อาจารย์ได้ฟังคำตอบที่อหลงตอบออกมากล่าวออกมาเช่นนั้นอาจารย์ก็ยิ้มและพูดว่ากลางที่เ ต, าต่าตัวน้อยเดินกับบึงไปนั่งถึงแม่มังจะเดินชาติไม่ค่อยเร็วแต่มันก็ถึงบึงมันก็ไม่แตกต่างจากการศึกษาหรอออหลงเอ้หากคงเรารู้จักศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะชาจะเร็ว บางก็ถึงจุกไม้มีความรู้ทั้งนั่งแลลวเมื่ออหลงได้ฟังคำพูดของอาจารย์สติก็พึงบังเกิดคิดได้นับตั้งแต่นั้นมาอหลงก็จึงกลายเป็นคนที่ตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาหาความรู้ทำการบ้านทุกอย่างสุดท้ายอาหลงก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพอที่จะช่วยกิจการงานของเตีย่ยต่อไปฟังแล้วเป็นไงบ้างครับท่านผู้ฟัง โดยส่วนตัวผมชอบนะครับว่าการเดินไม่ว่าจะเดินช้าหรือว่าเดินเร็วเราไปถึงจุดหมายแน่แต่ถ้าเราอยู่กับที่ยังไงจุดหมายไม่มีทางที่จะวิ่งก็มาหาคุณที่อยากจะได้หรอกครับเหมือนกันครับเมื่อคิดอะไรดีๆออกก็อย่าปล่อยให้มันเป็นแค่ความคิดความฝันจงลงมือทำลองผิดลองถูกไม่ว่ากันครับยิ่งลองผิดผิดพลาดมากแค่ไหนเราก็ยิ่งเข้าใกล้กับความถูกต้อง กับจุดหมายมากเท่านั้นครับสวัสดีครับ